บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องของอุปาทานคือสภาพจิต ท, ที่ยึดมั่นถือมั่นนั้นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อกล่าวโดยสรุปก็ได้แก่ขันธ์ทั้งห้าประกาศ อย่างที่ทรงสรุปแสดงไว้ว่าเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันทั้งงานนั้นเด่งเป็นความทุกข์ตัวอุาทานที่กล่าวนี้เป็นการกล่าวถึงเหตุที่ให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นซึ่งกรณีอาจจะพบที่ทรงแสดงไว้ด้วยบุหานอย่างอื่นเป็นกล่าวถึงวัตถุหรืออารมณ์ภายนอก ที่เรากราสรุปเป็นรูปนามก็คือขันทั้งหานั่นเองว่าเป็นวัตถุกลามคือวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่แต่เมื่อเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่มันก็เป็นที่ตั้งของความชั่งก็เป็นที่รักของความชังเป็นที่ตั้งของความโกรธเป็นที่ตั้งของความทุกข์ก็ทุกอย่างมันก็เป็นที่ตั้งของทางปัญหาและของสิ่งที่ดีงามทั้งหลาย ท่า น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับจิตของบุคคลที่มีอะไรขึ้นมาปรุงในขณะนั้นๆอารมณ์เดียวกันแต่ว่าจิตมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกันความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้นของบุคคลก็จะไม่เหมือนกันไม่ว่าอารมณ์นั้นจะเป็นที่รักหรือเป็นที่ช่างมาก่อนก็ตาม แต่จริงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งที่ขึ้นปรุงจิตในขณะนั้นๆั้อันเป็เดตได้เกิดการกำหนดอารมณ์หรือกำหนดสถานะของบุคคลหรือสิ่งของเวลาสัมผั์เกี่ยวข้องกันอุปาทานข้อสุดท้ายต้องใช้คำว่าอัตวาทุปาทานคือถือมั่นว่าเป็นตนหรือว่ามีตัวมีตน ดวยนาของมานะด้วยความยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นกิเลสประเภทมานะนั้นเป็นกิเลส ท, ที่ค่อนข้างแย่ละเอียดที่ทรงแสดงไว้ในสังโยชน์คือระดับของกิเลสจากหยาบมาถึงละเอียดที่พระยา บ, บุคคลละได้นั้นกิเลสประเภทมานะอยู่ถึงระดับที่เจ ซึ่งก็หมายความว่าแม้แต่พระอนาคามีบุคคลก็ไม่สามารถจะตัดมานะอย่างละเอียดออกไปได้ความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างน้นจะกอให้เกิดความรู้สึกเวลาไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเราขึ้นถึงกนนี้ก็ต้องมองถึงคนที่เกี่ยวข้องกับเราให้ชัดว่า คนที่เกี่ยวข้องกับเราแม้ภายในครอบครัวมัวก็มีคนอยู่สามระดับคือคนที่เป็นผู้ใหญ่เหนือเราคนที่เสมอกับเราหรือคนที่เป็นผู้น้อยกว่าเราเพราะาเราออกมาในหน่วยงานราชการต่างๆแล้ว่าเราจะยืนอยู่ในจุดใดก็ตามในจุดที่เรายืนนั่นเองก็มีผู้ที่เหนือกว่าเรา มีผู้ที่ใกล้เคียงกับเราและก็มีผู้ที่ตามกว่าเราเมื่อจะกล่าวโดยวัยมันก็มีลักษณะอย่างนั้นก็โดยความรู้ก็มีลักษณะอย่างนั้นก็โดยฐานะทางทรัพย์สินก็มีลักษณะอย่างนั้นก็โดยชั้นยศตําแหน่งนั่นก็มีลักษณะอย่างนั้นคือสรุปว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเราในแต่ละขณะนั้นจะต้องอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คือเหนือเราหรือใกล้เคียงกับเราหรือต่ำกว่าเราทางด้านอายุทางด้านวัยทางด้านสถานะทางสังคมด้านสถานะทางเศรษฐกิจการเมืองทุกๆเรื่องปัญหาสาคัญว่าเรามีความรู้สึกต่อเราอย่างไรถ้าเราหลงไหลหรือให้ความสำคัญแก่ตนเองมากเกิดไปก็จะเกิดมีความรู้สึกในลักษณะที่ มีความสาคัญมั่นหมายขึ้นมาว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นเป็นผู้เสมอกับคนอื่นหรือเป็นผู้ที่ต่ํากว่าคนอื่นเพราะยากความรู้สึกเ่านี่เองในกรณีที่เข้าใจว่าเราเป็นผู้เลิศกว่าคนอื่นก็จะกอ่อให้เกิดความคิดติดต่อไปจากนั้นก็คือการดูหมิ่นคนอื่น การกำหนดจุดเลิอนั้นจะมองเฉพาะจุดบกพร่องของบุคคลอื่นแตจะกลบเกลื่อนความบกพร่องของเราแล้วสิ่งอื่นเข้ามาชดเชยสิ่งที่เราบกพร่องจะสมมติ ว, มว่าปัญหาเรื่องวิชาความรู้เราไม่ทัดเทียมเสมอกับบุคคลอื่นแต่พอดีเรามีตําแหน่งชั้นยศเหนือกว่าคนอื่น เราใช้ตำแหน่งชั้นยอดต น, นเองแสดงอาการดุกมิดบุคคลอืน่นกรบเคลื่อนปมรอยของตนเองและกรบเคลื่อนปมเด่นของบุคคลอื่นซึ่งลักษณะการปฏิบัติในแนวนี้เป็นอาการของมานะที่ให้ความสําคัญแก่ตนเองจนถึงกับบางครั้งบางคราวก็ลงตนวเอง ถ้ามีการยอมรับตามมารณะที่เราแสดงก็จะเกิดความลหลงใหลเกิดความหยิ่งพยองลําพองในสถานะของเราแต่ถ้ามีใครไม่ยอมรับนับถือสถานะของเราเรจะเกิดความโกรธแค้นแล้วในที่สุดก็จะอึดอัดขัดข้องจนถึงก็เศร้าโศกเสียใจ ถึงว่ากันในแง่ของการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องดูอื่นไกลแม้ในสถานะของความเป็นพระภอกศุสามภเอตเวลาไปเกี่ยวข้องกับชาวบ้านในสถานที่ต่างๆนั้นคือจะมีความรู้สึกว่าเราจะต้องได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชนทั้งหลายนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องการปฏิบัติหน้าที่คนละหน้าที่กัน พระบุตรมาแล้วตั้งใจศึกษาเราเรียนประพฤติปฏิบัติจะเป็นไปตามกดของกรรมศึกษาดีประพฤติปฏิบัติดีท่านก็เป็นคนดีใครจะยกจ้องไม่ยกจ้องจะให้การยอมรับนั้นถือหรือไม่แต่ก็เป็นคนดีอยู่แล้วเป็นคนดีอันที่จริงแล้วไม่จะอยู่ที่การยกจ้องของบุคคลอื่นที่อยู่แต่อยู่ที่การกระทําของบุคคลตอนนั้นเองแต่ถ้าตั้งเกิดมีมานะขึ้นมา ก็จะเกิดความรู้สึกยินดียิตายตามการแสดงออกของบุคคลโดยหรือบางครั้งบางคราวก็อาจจะขาดเหตุผลเช่นสมมติเราไปต่างประเทศพระที่ออกไปต่างประเทศก็ที่จริงก็คือคนเข้าเมืองคนหนึ่งเท่านั้นเองเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นพระเพราะเราไม่ได้เป็นพระในศาสนาเขา เป็นไปประเทศที่นับถือิสลามนับถือคริสก็อาจจะปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวบ้านที่เข้าเมืองทงั้งหลายอาจจะคนอาจจะอะไรก็ได้มันก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเรายังมีมานะมีความรู้สึกยึดติดด้วยอำ น, นาจอุปท า, านมาเราเป็นพระอยู่ทั้งทางี้มนันเปลี่ยนการละเทศะไปแล้วก็จะแสดงอาการไม่พอใจหรือคุนเครืองหรือโต้ตอบกับบุคคลเหล่านั้น ยันว่าไม่ให้เกียรติพระมายกย่องพระ็นตนซึ่งว่าที่จริงแล้วในสายตาของเขาเราไม่ใช่พระแต่เราก็คือคนเข้าเมืองคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ไปเจออุปท า, านที่ขัดแย้งกันอุปท า, านของเขามองเราในแนวของคนเข้าเมืองอุปท า, านของเรามองเราในแนวของความเป็นพระในสุดก็เกิดโทสะได้แก่คือถ้าเราปฏิเสธอุปท า, านเขาเขาก็ไม่ยอม พอเขาปฏิเสธอุปทานเราเราก็ไม่ยอมแต่ในทีสุดบางก็เราก็เสียเปรียบเพราะว่าอยู่ในบ้านในเมืองเขาเพราะ้ปัญหาเรื่องการปฏิบัติตนเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยความรู้เท่าทันถึงสถานะทำความเป็นจริงแม้แต่เราเป็นจริงๆแต่ก็ต้องรู้ว่าจุดสัมพันธ์ในขณะนั้นเราเป็นใครจะต้องพยายามทาใจให้ได้ทำตนให้ได้ พระพระเจ้าจึงทรงสั่งสอนไว้เป็นสูตรในการประพฤติปฏิบัติแต่โดยทั่วไปแล้วก็มักสอนจะสอนพระพระเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดแล้วพระมาจากกลุ่มบุคคลต่างๆซึ่งบางทีท่านก็ยึดติดในความเป็นของท่านอยู่ท่านอาจจะเป็นราชรกุมารประบวตเป็นพระท่านก็ยังรู้สึกว่าท่านเป็นราชกุมารอยู่ ท่านอาจจะเป็นพระมหาสารได้สถานะดีเด่นทั้งสังคมมาก่อนประวัติแล้วท่านยังเป็นพระทั้งเป็นพระทั้งเป็นพราหม์อยู่ไม่ว่าก็จให้เกิดเป็นลักษณะอาหังการคือเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้จุดที่เราดึงเข้ามาเพื่อเสริมฐานความเป็นของเรานั้นสังเกตว่าบางอย่างที่จริงไม่ใช่ของเราแต่เป็นการค้อยโหนบุคคลอื่นที่บางคนที่ยังไม่มี หน้าที่การงานยังไม่มีทรัพย์สินเป็นของตนเองอยังต้องอิงอาศัยตภาวดาบิดาอยู่ถ้าเกิดรู้สึกว่าเราเป็นคนรวยหรืออย่างน้อยก็ลูกของคนรวยแต่ความร่ารวยนั้นที่จริงอยู่ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่เราแต่เราก็โขนทันแล้วก็แสดงออกซึ่งมานะออกมาในลักษณะต่างๆจนถึงก็ดูหมิ่นคนอื่นในเรื่องของความร่ำรวย ตามปกติแล้วคนเรานั้นจะมีจุดเด่นอยู่ในตัวของเขาจะมีจุดด้อยอยู่ในตัวของเขงาเพราะการศึกษาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงจึงท่งสอนไว้ในหลายในยะ่ด้วยกั น, นเนื้เยื่แรกๆที่ ง, ง่ายๆต่อการประพฤติปฏิบัติ ก็คือหลักของคาระวะและการประพฤติอด น, น้อมที่ทรงแสดงไว้ในวงคลบมากกวที่จริงก็มีตนเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นเหมือนกันแต่ก็ให้มีสมารคาระวะตัวบุคคลทั้งหลายมีการประพฤติอด น, น้อมถ่อมตนตัวบุคคลทั้งหลาย ครานี้ผมสังเกตว่าคนเด่นดังในสังคมเวลาเข้ามาบวตพระพุทธเจ้าจะสอนในลักษณะกำราบตัวนี้ซะก่อนเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็จะพูดกันยมีรู้เรื่องท่านอาจจะเด่นดังในด้านฐานะทางทรัพย์สินเด่นดังฐานะทางสังคมเป็นผู้ใหญ่โดห ว, วัยเป็นต้นมีพระยาสาวกผู้ใหญ่ระดับอิศรตะคะสามท่านเจโรมกัลลานะนั้น เป็นบุคคไหนบ้านแล้วก็ออกบวชแล้วก็เป็นปริพาชกที่มีคนเคารพนับถือมากก็แสดงมานะมันก็พร้อมจะเกิดขึ้นตอนที่เข้ามาบวชนั้นพระพุทธเจ้าได้เน้นให้หนักประดูก่อนมกขละนะเธอพึงศึกษาํำเนกว่าเราจักไม่ชูงวงคือตือตัวเข้าไปสู่สุกุล ในความมีความรู้สึกปราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นจะต้องได้รับอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีการต้อนรับไม่เหมาะสมมีการแสดงอาการกริยาไม่เหมาะสมแก่เกียรติแก่ยศของเราก็จะเกิดความโกรธเพราะนั้นจึงทรงสอนไม่ชูง่วงจะ เ, เข้าไปสู่สกุลคือถือตัวเข้าไปสู่สกุล น, นั่นเองเพราะถา้าเราถือตัวเข้าไปในที่นั้นๆ บางครั้งคนอาจจะเห็นบางครั้งคนอาจจะไม่เห็นด้วยว่าคนที่เห็นอาจจะไม่รู้จักสถานะของเราการปฏิบัติที่เราคาดหวังไว้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้พอเกิดขึ้นไม่ได้ก็จะโกรธแต่ความโกรธนั้นก็เป็นโทษของเราเองแทนที่จะเป็นโทษของเขาหรือพระมหากัตถะเทระซึ่งเป็นพรามาสัน มีฐานะทางสังคมในกรุงราชครึ่เป็นที่ยกย่องยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายเพระัราะว่าที่ส่งสอนประมาทักดิะในตอนแรกก็รับสั่งไปใจความว่าให้ประมากักดปะนั้นมีความเคารพยำเกรงต่อบุคคลเท่าไหร่ทั้ง ท, งที่เป็นผู้ใหม่คือผู้น้อยทั้งที่เป็นปานกลางคือรับลักษณะอี ชั้นวัยต่างๆเสมอกันแล้วก็ทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกล้าคือให้ความสำคัญแก่บุคคลทั้งหลายอย่างแรงกล้าเราเองได้ปฏิบัติธรรมะคือมีคาระวะมีวารระพฤติอดน้อมถ่อมตนต่อ บ, บุคคลทั้งหลายแต่ในกิเลสเดียวกันมานะคือความกระด้างที่มีอยู่ภายในใจเรามันก็สงบลงไปเพราะกิเลสประเภทเหล่านี้ถ้าหากว่าใจมันมีสมาครคารวะ ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนระดับคตรทั้งหลายเรานั้นได้กเิเลกก็ต้องสงบประการทั้งสองประการนี้จะปรากฏร่วมกันไม่ได้เฉ่าคนใดคนหนึ่งที่เราไม่ยอมรับนับถือสถานะท่านเราจะแสดงสมาคารวะเราจะกราบไหว้ไม่ได้แม้บางครั้งบางคราวอาจจะถูก บ, บังคับมันก็ทำไปอย่างแกนแกนแต่นั่นเ แต่ว่าใจไม่ได้ไหวตามคอยตามไปแล้วอาจจะเกิดความโกรธก็ทําไปโดยความโกรธก็ได้อันแทนที่กิเลสจะลดมันกิเลสมันก็ไปได้ลดหลังจากจุดนี้เองก็มองลึกลงไปอีกชั้นหนึ่งท่านสาธุชนท่างหลายก็จะเห็นอาการอย่างหนึ่งของกิเลสแต่ว่ า, าการมันเกิดไปเหมือนกับธรรมะมขึ้นมาเช่นคนแสดงสมาคารวะประพฤติอ่อนน้อมด้วยการถูกบังคับ หรือมองต้องการผลประโยชน์จากบุคคลที่เราแสดงสมาคา ร, รวะวะในประพฤติอดนอนอาการที่ปรากฏเป็นอาการของธรรมะแต่าการที่จิตเป็นอาการของกิเลสจึงเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งของคนที่นถือว่าเข้าใจยากคือเป็นสัตว์โลกที่เข้าใจยากอย่างบูตรนายควานช้างที่เป็นส ก, กัดได้เคยมากราบทูลพระพุทธเจ้าว่า คือในฐานะที่เราคุกครีกับช้างมานานท่านบอกว่าสัตว์โลกเดีมันเข้าใจง่ายเพราะสัตว์โลกเขาตื้นอาการที่เขาแสดงอย่างไงนั้นก็คือใจเขาคิดอย่างนั้นมันถ้าเขาแสดงเปิดความความเป็นมิตรเรามั่นใจเขาได้เพาเขาจะไม่ประทุษร้ายแต่มนุษย์นินลึกอย่างยากก็ใจยาก ในขณะที่หน้าตาแสดงาการอย่างหนึ่งเดี๋ยวจิตใจก็กลับไปคิดอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระเจ้าก็ทรงรับรองทั้งความจริงข้อนี้ว่าคนเรานั้นสามารถแสดงออกมาอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งแล้วก็พูดอย่างหนึ่งได้คือไปกันคนละเรื่องเลยดังนั้นี่ความคิดอาจจะไม่ดีนะฮะแต่ออกมาดีก็ได้ หรือบางทีความคิดดีแต่ออกมาไม่ดีก็ได้เร่อง ก, การบังคับบัญชาการควบคุมการสังการการดุดาตำหนิซึ่งเราต้องการให้มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีทั้งๆ ท, ที่จิตเรามีความ อ, อโดโยนระบุคคล น, นั้นที่ท่านพูดว่าพูดด้วยปากแต่ไม่พูดด้วยใจ ในความใจนั้นประกอบด้วยเมตตา ก, กรุณาหวังดีหวังประโยชน์เกื้อกูลแกบุคคลเหล่านั้นที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นผู้ได้บังคับบัญชาเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นต้นแต่ปากก็ต้องดุต้องว่าต้องใช้คำแรงๆถึงจงะมองที่ตัวคำํำจริงๆประห ย, ยัดแต่จะมองที่ใจนั้นเป็นใจที่อ่อนอยู่มลลักษณะอ า, าการเหล่านี้แหละคือ เป็นปัญหาที่สร้างความสับสนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเพราะว่าในขณะที่รูปแบบปรากฏต่อสายตาเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าจิตใจก็กลับกลับไปคิดอีกอย่างหนึ่งและเราก็ไม่รู้เท่าทันเรื่งความคิดของเขาก็อาจจะลหลงไหลคล้อยตามไปว่าเขาเป็นคนดีหรือว่าตัดสินไปเลยจากอาการที่แสดงออกว่าเขาเป็นคนไม่ดีเป็นต้นการสังเกตจึงต้องอาศัยการสังเกตนังนั้น พระเจ้าจึงทรงประทาน อ, อวาดให้ประมากัติปาแสดงความอดน้อ ม, คคอ ม, มต่อบุคคลทั้งสองทั้งสมชั้นการแสดงสมมาคารวะในลักษณะต่อบุคคลทั้ง3ระดับที่จริงไม่ใช่เรื่องทําได้ง่ายเพราะว่าต้องฟืน้นความรู้สึกนึกคิดความเคยชินความเสพคุณของบุคคลเหล่านั้นก็มีมานาติดอยเป็นอันมากและก็ยากต่อการถ่ายทอดดังกล่าว การที่ใครสามารถสแสดงมานะสสแสดงสมากรรารวะการพรุตุลอดน้อมถ่อมตนตามหลักของคารวะจะนิวาโตจกักในมงคลนสุดตัวมานะก็ต้องลดลงภายในใจก็บุคคลเนกันนี้แสดงเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรห็นด้วยประาญาจะรู้ด้วยประาญาว่าปฏิราทั้งสองรูปนี้มีเชื้อเข้ามานะอยู่มาก ประฐานะทางศุลุ์ฐานะทางความรู้ฐานะทางทรัพย์สินฐานะทางสังคมอะไรของท่านหลายๆอย่างเป็นที่เด่นดังเป็นที่เคารพนับถือของบุคคลภายในสังคมที่เขาเรียกว่าอิสริชนคือไปในสมาคมใดก็ได้เกียรติได้รับการยกย่องในฐานะนั้นๆเพราะมีจุดเด่นหลายจุดด้วยกันโอกาสที่จะลืมตัวจะหลงตัวมันก็มีง่ายดังนั้นจึงต้อง เตือนสะก่อนในตอนนี้เตือนกันตอนบทใหม่ๆทั้งคู่หรือประราธะเทระเป็นผู้เฒ่าอายุมากแล้วต้องการจะเข้ามาบวชในรูปธรรมศาสนาไม่มีใครกล้า บ, บวชให้ประชีวิตส่วนใหญ่นั้นท่านอยู่ข้างนอกวัดได้เป็นผู้เฒ่าซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทางหลายใกล้ๆก็ต้องเคารพนับถือยำเกรง ให้เกียริท่านแต่ถ้าบวชปับในท่านจะเป็นผู้ใหม่ทันทีใครจะว่ากล่าวตักเตือนในไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ได้ถึงเป็นที่หวาดกลัวกันในยุคนั้นแล้วก็ในยุคต่อๆมาก็เหมือนกันเพราะงั้นจึงไม่มีใครบวชให้แต่พระเจ้าก็รัตสั่งให้พระสารีบุตรบวชให้ เราทรงประธานพระอวาทเน้นหนักไปในเรื่องของการสมาคารวัให้มองคนที่ว่ากล่าวตักเตือนที่โทษเหมือนกับการบอกคุ้มรัพย์ให้ธรรมดาบางคนที่หวังดีมุ่งดีตบุคคลอื่นบอกคุมทรับให้แก่บุคคลอื่นตองการเขาไปขุดคุมทรับหลดนั้นคนนั้นไม่เชื่อหรือไม่ยอมหรือเชื่อแต่ไม่ยอมไป บางครั้งบางคราวอาจจะถูกฉุดไปหรืออาจจะทุบตีอาจจะบังคับไปไปคือในตอนต้นๆดูแล้วคล้ายๆจะเป็นศัตรูแต่จริงแล้วตอนปลายนะ่ก็คือเป็นมิตรกระทานองคล้ายกับหมอผ่าตัดรือดูตอนตัดบางก็ดูคล้ายๆเป็นศัตรูแต่ดูเจตนาดูผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำว่ากลายเป็นการกระทาของมิตร พระธาตุ่างก็ถือตามปฏิบัติตามในสู่สุดก็ัรรุมรควเป็นพระหันไปแล้วเป็นระดับพระมาหาสบกผู้ใหญ่ทั้งสามท่านในคำสอนที่ลึกซึ้งลงไปสอนให้บุคคลให้การยอมรับนับถือแก่บุคคลทั้งหลายตามสมควรแก่ชั้นของไหวแล้ว่าถึงอีกชั้นหนึ่ง เป็นการเปิดโอกาสว่างให้บุคคลทั้งหลายมองรอบๆตัวเพราะคนบางคนแม้มีอายุมากแต่ว่าพื้นฐานทางคุณธรรมความรู้อาจจะด้อยกว่าคนอื่นแน่นอนถ้ามองจากอายุเราก็เหนือกว่าเขาแต่ถ้าเรามองในแง่มุนต่างๆก็จะเห็นว่าท่านผู้นี้มีคุณธรรมสูงกว่าเราเราก็ให้ความยอมรับนัือคุณธรรมท่าน แลก้กลายเป็นเรื่องของวุฒิบุคคลสามจำพวกที่จะทาให้บุคคลมองเห็นจุดดีของบุคคลอื่นซึ่งควรแก่การยอมรับนับถือบางท่านก็สูงโดยชาติบางท่านก็สูงโดยวัยบางท่านก็สูงด้วยความรู้หรือคุณ ธ, ธรรมความดีทั้งหลายก็แสดงว่าแต่ละคนนั้นมีจุดที่คนอื่นจะต้องให้ความสําคัญอยู่ได้คนจเจริญโดยชาตินั้นอาจจะเป็นเด็ก คนจเจริญโดยความรู้นั้นก็อาจจะเป็นเด็กแต่คนจเจริญโดยวัยนั้นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตกลงมาให้การคารพนับนถือกันได้คนจเจริญโดยวิชาความรู้มองไปที่อายุของท่านก็ให้ความคารพนับถือในด้านอายุคนที่จเจริญโดยวัยก็มองไปที่คุณสมบัติความดีงามของท่านก็ยอมรับนับถือท่าน แล้คนที่จะเดิญโดยชาติมองไปที่คุณธนะทำความดีของบุคคลอื่นที่อายุของบุคคลอื่นก็ยอมรับนับถือบคุคคลนั้นแล้คนที่จะเดิญโดยคุณโดยวัยก็มองเห็นคนที่จะเดิญโดยชาติเพราะ เ, าเป็นขั้สูงโดยชาติก็ให้ความเคารพนับถือกนอันเป็นการแสดงว่าแต่ละคนก็มีจุดที่ควรแก่การยกย่องควรแก่การเคารพนับถือตามสังควรแก่งฐานะอย่างน้อยที่สุดในวิญญาณของความเป็นมนุษย์ หรือเป็นสัตว์โลกผู้รุ่นทกเกิดแก่จะตายด้วยกันทั้งนี้สวนกันอีกในยะหนึ่งนั้นทรงสอนเห็ลนลักษณะของมานะที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลอย่างรุนแรงแล้วก็ถ่ายถอนได้ยากแล้วก็กลายเป็นคนเฉาตายไปเฉยโอกาสที่จะกอบโกยตะ ต, ตวงผลประโยชน์จากสิ่งดีงามเหล่านั้นรออยู่เฉพาะหน้าแต่ท่านไม่ยอมขยับขยืขย้อนมา ธรรมะก็คงเป็นธรรมะอยู่แต่ที่น่าเสียดายคือท่านไม่ได้รับประโยชน์จากธรรมะแต่นันเองอย่างเรื่องท่านสัญชัยปริภาชกทั้งงที่รู้แสนรู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นอรหธ า, านทรรมสมาสมุทธะจตุรดีจะรูะะชอบตโรงเอง แต่ว่าท่านไม่ยอมที่จะมาฟังธรรมะไม่ยอมที่จะเป็นลูกศิษย์ของพุทธเจ้าเพราะมานะว่าเราเป็นจาคณะอาจารย์เจ้าลัทธิมีอายุมากกว่าพระพุทธเจา้าเพราะตอุปาทาน ท, ที่จริงไม่จะยึดไปเฉยคือตอกตรึงท่านไว้เนี่ยให้ติดอยู่กับที่นั้นก็คืออายุที่จเจริญกว่ากับสถานะทางสังคมซึ่งสังคมให้เกียรติยอมรับนักตรท่านว่าเป็นคณะอาจารย์เจา้จาลัทธิในกลุ่มครูทั้งหมด มานันในแนวนี้จึงไม่ใช่กลายเป็นอุปท า, านเฉยๆแต่ว่ามันก็ตอกตรึงเอาไว้ตรงนั้นเองแค่กระตะปูคือตอกตรึงบุคคลเอาไว้ไม่ยอมขยับเขยืนไปไหนบางครั้งต้งมานะมันจางลงคือความถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มันจางลงบางก็อาจจะทําในส่วนหนึ่งซึ่งพร้อมจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแต่ว่าอาจจะขยับไว้สักอย่างหนึ่ง อย่เยันพรามภวรีจึงเคยเล่าอีฝั่งที่นำส่งลูกศิษย์มาทดสอบพระพุทธเจ้าในยการบอกปัญหาสร้างปัญหาผูกปัญหามาเสร็จ<อ>ท่านเองนั้นน่าจะมาด้วยหลนทางมันไกลแต่ถ้าไม่ยอมมาเพราะลึ ก, ลกๆจริงๆเนี่ยท่านไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือไม่แต่ความเชื่อที่จริงก็มีมากเี๋ยวถึงก็สั่งหลานชายชื่อปิงคิยะ ก็ลงสงสัยว่าผู้เจ้านั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆน่ะแต่มนบอิบสิบห้าคนกนังส ม, รรมาธิแล้วาจใจคงบวชหมดแต่เธอจะบวชก็ไม่ว่าหให้กลับมาบอกลงด้วยก็แล้วกันพ่าผู้เจ้าตอบอยังไงคราวนี้เราจะเห็นว่ามันก็กลายเป็นคลิกประวัติศาสตร์คือสิทธ์กลับเป็นอาจารย์อาจารย์กลับเป็นิ์ ปิงกยาซึ่งเคยเป็นลูกจิตแล้วก็เป็นหลานของท่านพราหม์พาวรีซึ่งมีมานะน้อยกว่ามีความกระด้างความสืบตัวน้อยกว่าฟังธรรมะในสำนักพุทธเจ้ามารรลุอนาคามีผลก่อนในตอนแรกนะแต่ต่อมาก็บรรลุอรหัตก็ต้องกลับมาสั่งสอนพราม์พาวรีซึ่งมีฐานะเป็นอาจารย์ด้วยเป็นลุงด้วย แต่ก็ต้องปรีกกลับกันพอมาเปลี่ยนศาสนาปรากฏว่าพระพุทธรีก็ต้องมากลายเป็นลูกศิษย์ของปิงกิยะซึ่งเป็นหลานในตัวปัญหาใหญ่ก็คืออัตวาทุปาทานยึดถือว่าเราเป็นขนาจารย์เจ้าพระจิสั่งสอนบุคคลมาเป็นเวลาดานการจะยอมไปเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเด็กรุ่นหลังแม้จะเชื่อไปตั้งเจ็ดปเซแต่ก็ มันเหมือนก็เชือกที่ลั่มท่านไว้ผูกโยนท่านไว้ท่านก็ไหลหมุนตัวไปได้พอสมควรแต่ว่ามันไม่ถึงก็หลุดรอดจากสถานที่นั้นบางครั้งต้องการจะเตือนในบุคคลได้สนักว่ามันไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นมานักโดย ส, สอนในรูปของกรรมฐานหรือสอนให้คิดง่ายๆมองง่ายๆ ร่างกายของคนเรานั้นที่จริงก็ประกอบดิีในั้นลงไฟอากาศและก็วิญญาต์ยกโครงสร้างขึ้นมาเป็นรูปของกระดูกเกือบ300รทนแล้วก็ปลูกมัดไว้ด้วยส้นเอ็นแล้วก็ฉาบไว้ด้วยเนื้อหุ้มไว้ด้วยหนังแต่กลับเป็นที่ตั้งของมานักความยึดมั่นถือมัน่นเพื่อจะเตือนบุคคลตระหนักว่าที่จริงมันไม่มีอะไรที่น่าจะไปยึดมั่นถือมั่นในลักษณะนั้น จะได้ความสุขใจความสงบใจที่สามารถสัมผัสผลของธรรมะซึ่งเกิดขึ้นจากการลดละมานะที่เรียกว่าอห า, า, างการมาบังการลงไปเพรา ะ, ะ น, นอัตวาทุ ป, ปาทานที่เกิดขึ้นในจุดใดก็ตามจะก็ให้เกิดความยึดมั่นถือปั้นแล้วก็พร้อมจะแกว้งไปเรื่องน่ากับความยินดียินไรในชีวิตปัจจุบันเสมอไปจึงเป็นกลุ่มของพวกกิเลสที่พระเจ้าทรงสอนในลดละหรือสงบระงับ ถึงกระดับไปในที่สุดตอตนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสุบต่อไป